ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุกมกาลังนำเสนอคาถาของพระสารีบุตรเทระสืบต่อกันมาจนถึงคาถาที่หนึ่งพั้าท่านบอกว่านิวรณห้าเหล่านี้คือ กรรมฉันหนึ่งพยาบาทหนึ่งีนามิธะหนึ่งอุทจักกุกุจจะหนึ่งวิจิกิจชาหนึ่งเป็นธรรมเครื่องเศร้ามองใจของภิกษุกรม่ภิกษุนั้นก็เป็นชื่อเรียกแทนนะเพราะว่านิวร์เกิดขึ้นภายในจิตใจของใครมันก็เศร้ามองด้วยกันทั้งนั้น คำว่านิวรนแปลว่าสิ่งที่กั้นจิตคนเอาไว้ไม่ให้บรรลุความดีได้เรียกว่านิวรนมันก็กั้นทั้งขาเข้าและขาออกคือหมายความว่าถ้าเราจะคิดเรื่องอะไรจากภายนอกแต่ว่าใจเราขณะนั้นมีนิวรนข้อใดข้อหนึ่งอยู่มันก็คิดไม่ก็อยออก จะยกตัวอย่างเราจะนึกถึงชื่อคนสักคนหนึ่งแต่มันเกิดสงสัยคิดไปคิดมาอาจจะคิดไม่ออกหรือคิดผิดหรือบางทีก็จำคลาดเคลื่อนไปแต่ทีนี้เวลาเราจะแสดงความรู้ความสามารถของเราออกมาจากใจ เป็นการบรรยายการอธิบายการชี้แจงการจะขีดเขียนเรื่องราวาต่างๆแต่พอดีเรียกว่าไม่มีอารมณ์มันก็ทำอะไรไม่ได้ดีเท่านั้นในแง่ของความจริงแล้วนิวรเป็นเรื่องของโลบกดหลงเป็นการเรียงมาตามโครงสร้างของโลกกดหลงคือกลุ่มของโลบกดหลง การมาฉันทนนิวรนแปลว่าจิตที่กำนัดระใคร่พอใจเหนียวนึกตรุกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจความกำนัดระใครพอใจยินดีแต่ต้องการปรารถนาเพลิดเพลินช่นชมก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ในขันใดหมายเวลามันเกิดขึ้นแล้วจิตใจมันจะมือลอยไปที่เรื่องเหล่านั้น อย่าที่บอกไปแล้วว่าแนวของกิเลสนอนก็คิดพลั้นอย่างหนึง่งแล้วคิดแนวดิง่งคือดิ่งไปในเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วก็จมอยู่กับเรื่องเหล่านั้นได้นานๆทั้งหมดก็เป็นอาการของนิวรณ์เราก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วบ้างกันนิวรณ์เนี่ยเพราะว่าเป็นเาเรียกว่าปริยุท ธ, ธานกะกิเลส คือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกลุ่มรวมใจของบุคคลทำห้สูญเสียศักยภาพภายในของตัวเองที่จะแสดงความรู้ความสามารถออกมาหรือที่จะออศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจจากภายนอกเห็นดูตัวอย่างว่านักเรียนกำลังเรียนหนังสือครูกาลังบรรยายอยู่หน้าโต๊ะ แต่ตอนนั้นนักเรียนถูกนิวรครอบงำฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหลับไปบ้างอะไรต่รางๆการเรียนวันนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจในวิชาเหล่านั้นก็จะย่อนประสิทธิภาพลงเพราสะสมนานข้าวนานข้าวนานข้าวก็กลายเป็นตอบคำถามไม่ได้ เป็นปนัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานอยู่ภายในใจของมนุษย์ก็เรียกว่าตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกแหละแล้วก็ตกกลุ่มๆด้วยนิวรณ์เหล่านี้สัวันนี้จะให้ศึกษาในแนวที่ลึกซึง้งมากยิ่งขึ้นคือศึกษาตามโครงสร้างของธรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมาสติปัฏฐา น, นสุข ก็เรียกว่าเป็นระดับกรรมฐานก็นแล้วกันคือทรงสอนให้ดูจิตของเราเองในขณะนั้นๆว่ามีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าในขณะนั้นๆ น, น, นิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น ทีนี้การเรียงตามตัวอักษรในเขาเรียงอย่างนี้แต่ว่าการเกิดนั้นมันขึ้นอยู่กับจริตของคนเช่นว่าการมาฉันจะเกิดขึ้นแก่คนที่มีราคะจริตกระพยาบาทจะเกิดขึ้นแก่คนที่มีโทเสียโทสะจริตกระตีนมิธะ อุทจจะคุงสรรันวิชิกิชาจะเกิดขึ้นมาแก่คนที่มีโมหะกราแต่สรุปว่ามันก็เกิดสลับไปสลับมาเราก็ไม่รู้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังเหมือนกันนอกจากว่าตั้งใจกำหนดรู้ในขณะนั้นๆบนในขณะนั้นๆนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น ก็ถือว่าตีต่างกันแล้วกันตีต่างไปตามลําลดับนี่แหละสมมติว่าในขณะนั้นกามาฉันท์นิวอรนเกิดขึ้นเราดูเรารู้เราเห็นว่ากามาฉันท์นิวอรนเกิดขึ้นครุ้มหลงใจเราอยู่ในขณะนั้นเราก็ตั้งปัญหาตัวเองแก่ตัวเองแล้วก็หาคําตอบไปแก่ตัวเองว่า ก็ข้นากรในการมชันนิวร์มันยังไม่เกิดเวนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงก็ศึกษาแบบสืบถามสืบสาวไปดูที่ใจเราเองก็ได้เราเจนว่ามันเกิดสืบเนื่องมาจากการกาหนดอารมณ์ที่เราสัมผัสด้วยหรือว่ากาหนดอารมณ์ที่เราเหนียวนึกสึกนึกก็ได้ก็แล้วแต่ หมายความว่าอารมณ์ใหม่หรือ อ, causes, อ halt, ารมณ์เก่าล่ะตาอารมณใหม่คือเราเห็นรูปในขณะนั้นๆแล้วเกิดกําหนดอารมณ์วารูปสวยเกิดแนวนึกตรึกนึก nights, authorized. ด้วยความร like. ู้สึกกำลังเพลิดเพลินว่ารูปนี้สวยรูปนี้สวยรูปนี้สวยเสียงนี้ไพเราะเสียงนี้ไพเราะเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้หอมรสนี้อร่อยรสนี้อร่อย สัมผัสนี้น่าจะต้องสัมผัสอานนิดนี่น่าจะต้อ ง, นนองก็หมายความว่าเหนียวนึกตรึกนึกเก่าเองไอ้รูปสิที่เราเป็นต้นนั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันไม่มีความเป็นสากลคือไม่ใช่สวยสากลไพเราะสากลหอมสากลอร่อยสากล น, น่าจับต้องสากลมันไม่มีอย่างนั้นหรอก เป็นเรื่องข้อหลงเนื้อชอบหลังยาใครชอบเขาก็บอกว่าดีใครไม่ชอบเขาก็บอกว่าไม่ดีแต่พอดีเราชอบเราก็กําหนดอย่างนั้นนี่แสดงว่าอารมณ์ที่เราสัมผัสในปัจจุบันก็แสดงว่าของใหม่แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คืออารมณ์ที่เป็นอนดีตคือเราจํำมาไว้ สิ่งที่เคยสร้างความประทับใจความจึงตราความกำหนัดเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นแกเราบาในอดีตมันผ่านไปแล้วแต่เราก็เหนียวนึกตรึกนึกที่ท่านเรียกว่าวิตกคือกามวิตก ต, กตรึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ใครจะเห็นใครจะได้ยินใครจะสุดดุมใครจะลิ้มใครจะจับต้องอารมณ์ในอดีตเราได้นต่อไป บางีก็ปรารถนาที่จะได้เพลิดเพลินชื่นชมกับอารมณ์ลดนั้นในอนาคตแต่ว่าสิ่งโลดนั้นยังไม่ปรากฏหรือว่าปรากฏไปแล้วเราก็นึกถึงอดีตกับอนาคตที่ปรากฏในขณะ น, น, นั้นก็นึกด้วยปัจจุบัน ก็แสดงว่ามันเกิดมาจากเขาเรียกว่าสุภาสัญญาสุภาพแปลว่า ง, งามนะครับหมายความมาใจกำหนดว่าจะรูปอดีติอนาคตปัจจุบันก็ตามเรากำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องอารมณ์นี้นะ่าเพลิดเพลินชื่นชมยินดีและเราก็สึกนึกเหนี่ยวนึกปวยจิตที่กำนิด ทีนี้ก็ตั้งปัญหาถามต่อไปว่าการมาฉันทนิวรนที่ยังไม่เกิดเนี่ยเดี๋ยวเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่ทายังไงจะสงบลงไปได้การที่มันเกิดเพราะเรากำหนดว่าสวยงามมันก็ต้องมาอย่าง มองใหม่ว่าไม่สวยไม่งามก็เรียกว่าอสุภสัญญาหรืออสุภกรรมฐานการพยายามมองให้เข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่า น, นั้นยิ่งขึ้นว่าความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นยังไงรูปสวยเนี่ยอะไรสวย จินอารมณ์ก็กรรมฐานทั้งหลายเนี่ยถ้าในดูที่ผมคนดูผ่านหนังที่เราตกแต่งกันด้วยความกำหนัดเพลินเพลินชื่นชมยินดีเนี่ยเราก็จริงในรูปสวยจริงๆหรือเสียงไพเราะจริงๆหรือกลิ่นหอมจริงๆหรือรสรอยจริงๆหรือสัมผัสหน้าจับต้องจริงจริงหเราก็จะเห็นว่ารูปนั้นประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลนานาชนิด แม้แต่ว่าเอาเข็มแทงเข้าไปที่ผิวหนังนิดเดียวเลือด ก, ก็ไหลออกมาแล้วก็มีกลิ่นคาวน่ารังเกียจ ต, ต้องรีบเช็ดออกแ ส, สดงว่าในร่างกายของเราก็เหมือนกับถุงที่ใส่ของสกปรกนาน า, นานชนิดเอาไว้เพียงแต่ว่าหนังมันหุ้มไว้เท่านั้นเอง แต่ในมันก็ในขณะเดียวกันมันก็แสดงอาการปฏิกูลออกมาให้เห็นทางทวารทั้งเก้าคือตาคือหูคือจมูกคือปากคือทวารหนักคือทวารเบามันก็แสดงอาการปฏิกูลให้เห็นทนุกวันราอบน้ำเราชำระตั้งแต่ศีรษะลงมา ชำนที่หูชำนาที่ตาชำระที่จมูกชำระที่ฟันชำนาที่ทวารหนักบวานเบาเพื่ออะไรเพื่อชำระล้างสิ่งปฏิกูลที่มันไหลออกมาจากร่างกายมันก็ชัดเจนะนะนแต่ละวันเราก็ได้เรียนรู้ความจริงของร่างกายว่าเออมันปฏิกูลน่าเกลียด นาขยะขะแยงต้องชำระศาสตรสังกันวันหนึ่งหลายครั้งศาสตทั้งหลายด้วยซ้ำไปไม่ต้องชำระชะล้างมากแต่เรานี่ว่ากันวันวันหนึ่งหลายครั้งมันก็เป็นความจริงไปกันหนึ่งแต่พวกนี้ต้องคิดเยอะนะฮะต้องคิดเยอะถึงจะเกิดความเข้าใจจะริญกรรมฐานกันมาเป็นปีๆทีเดียว เพราะว่าใจยอมยอมจำนนมันมาตั้งแต่ต้นและมีความรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองมาตั้งแต่ต้นเรารูปหล่อเรารูปสวยเราสงาอะไรแต่อะไรต่างๆนี่มันปรุงหลอกตัวเองมาจนหลอกเป็นจริงอ่หลอกตัวเองจนนึกว่าจริงก่อนฟังรายการวิทยุเขาเล่า เรื่องคนทางภาคอีสานแต่ว่าจําสำเนียงเขาไม่ได้นะฮะก็เดินกันไปในป่าสองคนก็เล่าดิทานกันไปบ้างทายคำถามทายปริศนากันไปบ้างตอบถูกบ้างปิดบ้างผมมาถึงข้อหนึ่งในี่ถามถึง สัตว์ชนิดหนึ่งที่เดินไปช้าๆแล้วก็ศีรษะนั้นก็ระกิงไม้ไปให้เพื่อนตอบเพื่อนข้างหน้าตอบเพื่อนข้างหน้าก็ตอบไม่ได้กเก่งก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคนถามนั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันในสุดก็เดินนึกไป พอ น, นึกขึ้นมาได้แกก็ตะโกนว่าช้างช้างสายสาว่าสร้างสร้างสร้างสร้างไอคนข้างหน้านั้นลืมไปแล้วลืมไปแล้วเรื่องถามว่าอะไรตัวก็ น, นึกว่าช้างหมาก็วิ่งไอคนที่สองไม่รู้ว่าคนแรกเขาวิ่งเพราะอะไรเลยวิ่งด้วย วิ่งกันไปหกลมหกลุกกันไปใหญ่ก็จะรู้ว่ามันสืบเนื่องมาจากการคุยกันก็ทะเลาะเปล่เปลิกไปพอสมควรเกิดนี่เรียกว่าหลอกจนเป็นจริงหลอกจนรู้สึกว่าจริงทั้งๆ ท, ที่มันเป็นเรื่องหลอก พันอาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราหลอกตัวเรามาจนชินพอท่านสอนให้คิดให้พิจารณาเราก็คิดไม่ค่อยออกเพราะว่ามันปักใจฝังใจอยู่อย่างลึกซึ้งมากในสุดก็กลายเป็นความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสังขารร่างกายของตัวเองแล้วของคนอื่นนะครคนอื่นก็ด่าไปเรื่อย ไม่ยอมอยู่สักทีหนึ่งมันเกิดจากจิตกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เลยกำหนดใหม่เลยวอาไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจทีนี้พอคิดเนี่ยมันต้องหาหลักฐานมาประกอบว่าทำไมจึงว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ ยาแนวของมหาสติปัฏฐานนนสูส่งสอนให้ดูตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็าตามก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเข้ายาวออกยาวก็ให้รู้ไปตามนั้นแต่ตรงนี้มันก็ไม่เคยเห็นนะ่ะเพราะว่านั้นค่อนข้างจะที่ปรากฏมันค่อนข้างสะอาด แล้วก็เปลี่ยนไปดูเดียบทใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ดูยากอีกนล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปดูเดียบ ท, ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งย่อยทั้งหลายเนี่ยถ้ายังไม่เห็นก็ต้องไปดูร่างกายแยกร่างกายของเราออกไปส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นเนื้อหนังมังสาเนี่ย แยกออกไปเป็นอาการสิบสามิบสองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกืือในกระดูกม้ามหัวใจตับพัผงผืดไตปอดไส์ใหญ่ไ where, สาสาน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำไข่ข้อน้ำ ม, มูกน้ำเลืองน้ำตาเปเรียวมันเหงื่ออะไรต่างต่างก็ยกขึ้นมาพิจารณาเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ร่างกายเราประกอบด้วยส่วนเหล่านี้ก็ทุกคนก็คือกันพยายามที่จะนา้ายเห็นความปฏิกูลจนเกิดความเบื่อนหน่ายเบื่อนหน่ายที่จะหลอกตัวเองจนไปกำนัดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับร่างกายถ้าเห็นก็ดีไป แต่ยังไม่เห็นก็แยกร่างกายเอาเป็นธาตุสี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเอาสี่ก่อนนะฮะธาตุมันมีหกมีอากาศสธาตุกับวิญญาณธาตแต่ตอนนี้ก็ดูแค่แสี่ลักษณะใดาที่ขั้นแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายนี้ เห็นผมขนและฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไตปอดไสนใหญ่ไซ้น้อยหานใหม่หางเก่าเป็นต้นก็ถือว่าเป็นธาตุดินลักษณะมันแข็งแข็งจัต้องได้ลักษณะที่ไหลเอิบมาไปมาได้น้ำลายน้ำเงือน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำเหลืองน้ำตาเปลวมันเงือมันคน้นอะไรต่างๆก็เป็นธาตุน้ำ แต่ถ้าน้ําข้างนอกเนี่ยมันดื่มได้ถ้าน้ําข้างในมันโกลกโกล้วก็ดูธาตุลมลมพัดลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมเบื้องต่ําลมในท้องลมในทราลมหายใจลมตามตัวก็ดูที่ธาตุลมไฟยังกายอบอุ่นไฟยังกายสุดทรงไฟยังกายให้กลักระวายไฟที่เผาวาหารในย่อยเราก็ดูที่ธาตุไฟ แล้วก็ก่อคุ้มการของดินน้าลงไฟอากาศไม่มีอะไรน่าพิรมชื่นชมยิน ด, ดีอถ้าเรานี้อยู่ข้างนอกก็ดีนะฮะอยู่ข้างในแล้วก็ปฏิกูลทั้งนั้นแหละแม้แต่บางครั้งบางคราวบางคนเนี่ยกลิ่นลมหายใจเข้าออกก็น่าขยะขยะงออกกลิน่นออกมาทางปากออกมาทางหูออกมาทางไรตะไ ร, ต, ะไรต่างๆ ถึงเราก็จะเห็นความปฏิกูลของมันถ้ายังไม่เห็นนะแต่ยังไม่เห็นก็ไปพิจารณาซากศพเลยไปดูที่ซากศพซากศพประเภทต่างๆสมัยโบราณมันก็ง่ายหน่อยมันมีซากศพไปดูแต่สมัยปัจจุบันเราก็หาดูยากในขณะที่หาดูยากเนี่ยมันเกิดหาดูง่ายขึ้นมา คือไปดูตามโรงพยาบาลต่างๆอาจาร ย, าย์ใหญ่ศพอาจารย์ใหญ่ก็เยอะศพที่เขาดองไว้ก็เยอะแล้วก็ศพที่ตายในจังหวัดต่างๆโดยวิธีการต่างๆก็เยอะตลอดถึงศพที่เขาสตารเอาไว้ก็ถ่ายภาพเก็บไว้ไอ้นี้ยิ่งชัดเลย ภาพที่เขาตัดเอาไว้เนี่ยที่เขาสตราร์ทเอาไว้ที่เขาถ่ายเป็นภาพพยนต์เอาไว้บางทีผ่าตัดจำแหลกศพแล้วก็ถ่ายเอาไว้ก็มาดูมาศึกษากันก็เราก็เห็นปฏิกูนนะทีนี้เมื่อเห็นปฏิกูลแล้วใจก็จะเกิดเบื่อ น, น่ายเกิดคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้น จากนั้นก็จะพิจารณาลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับจนถึงสามารถส ง, งบความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไปได้ก็มาถึงประเด็นต่อไปว่าไอการมชันนิวรที่เราทำให้ส ง, งบลงไปได้แล้วเนี่ย ทำยังไงจะไม่เกิดกำเริบขึ้นมาอีก อ, อ้าวตรงนี้เรื่องใหญ่แล้วคือการจะไม่ให้มันเกิดอีกนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทำยากมากเพราะอะไรเพราะว่าพ ร, พระโสดาบันยังมีครอบครัวอยู่นะยังมีครอบครัวมีลูกมีเตามีลู ก, ตลกเต็มบ้านหลานเต็มช่องอยู่เนี่ยทีนี้การที่เราจะสำรอกความพอใจออกมาเลยทีเดียวนี่มันก็เป็นไปยาก ะนก็ต้องบำเพ็ญเพียไปตามหลักของสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะระดับวิปัสสนากรรมฐานจนถึงจุดหนึ่งก็ดับได้แต่ว่าที่จริงมันก็จางคลายลไปโดยลำดับนั่นแหละตั้งแต่กัญรรยาณปุถุชนขึ้นไปอย่างเนี้ยอย่างคนรักษาสี่ห้านี่แสดงว่าจางคลายมากกว่าคนทั่วไป คนรักษาศีลแปดก็จางคลายมากกว่าคนศีห้าคนรักษาศีลแปดเป็นนิดก็จางคลายมากกว่าคนรักษาศีลบทสูนสรืรักษาศีแลแปดได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่ามันสงบไปชั่วคราวตนน่นนั้นไม่สามารถสยบไว้ได้นานๆอย่างชาน เพราะระดับหนึ่งมันก็เป็นฌานคือสงบสาบเท่าที่เป็นฌานเลยอันนี้ก็โดยการเจริญสมถะกรรมฐานนี่แหละพอบรรลุเอกคตาคือจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิมันก็สยบปิเลียตพวกเหล่านี้ไปได้แต่สยบนะไม่ใช่ดับมันยังกำเริบได้อีกยังแปรผันได้อีก ยังเปลี่ยนแปลงได้อีกทีนี้ถ้าก็ถามว่าที่บรรดับได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกโดยประการใดให้รู้โดยประการนั้นเอาเรื่องใจขึ้นมาอีกผู้นี้จะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเห็นนา ม, มาูป เป็นของไม่ที่ยังเป็นทุกเป็นนามต่างวัตถุที่เป็นตั้งแห่งกรรมฉันมันก็คือรูปบางทีก็อาจจะเป็นอารมณ์หรือ เ, เป็นนามแต่ว่าเวลาเราปรารถนาชื่นชมจริงๆมันก็เป็นรูปมันแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานไป จนเข้าใจความจริงตามกฎของประสทรักมันก็บรรเทาตัณหามาณทิฐิตกไปจะถึงจุดหนึ่งก็ดับไปแต่ว่าคนที่จะดับเขาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะะต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปสรุปว่าคนที่ดับกิเลสประเภทนี้ได้มีเฉพาะพระอนาคามีกับพระอรหรัตนต์เท่านั้นเอง พระพุทธเจ้ากัอรหรันต์นะพระประเัเจกพุทธเจ้ากัอรหันต์พระสาวกอรหรันต์แต่สาวกก็เป็นพระอรหรันต์เพราะตั้นเหล่านี้ดับได้คนอื่นดับเป็นการทาวรไม่ได้ทีนี้ก็ต่อไปพยาบาทพยาบาทมันเกิดจากโทสะความประทุษร้าย โกธาความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธอ ร, รติความไม่ยินดีนะมันก็เรียกกันตามความเข้มขน้นแต่เข้มข้นมากมันก็กลายเป็นโทสะเป็นพยาบาทเป็นอาฆาตเป็นจองเวนจะแล้วแต่ก็เรียกตามความเข้มข้นของเขาเพราะนันก็ขอให้ดูไปตามจังหวะเช่นเดียวกัน เรานั่งสมาธิดูจิตของตัวเองดูซิว่ามันมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมันเกิดขึ้นหรือไม่ตอนนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตีต่างว่าในขณะนั้นพยาบาทนิวรณเกิดขึ้นเราก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะ น, นี้พยาบาทนิวรณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา มันก็ตั้งปัญหาถามต่อไปว่าก่อนในช่วงก่อนเนี่ยพยาบาทนิบทมันไม่มีแต่ช่วงนี้มันมีมันมีขึ้นมาได้อย่างไงเขาก็สาวลึกลงไปมันเกิดขึ้นจาก เขาเรียกอารติคือความไม่ยินดีปฏิฆะความหงุดหงิดความรำคาญโทสะความประทุษร้ายโกธาความกโกรธอุปนาหะความผูกโกรธก่อนแลวแต่นะครับแต่สรุปว่าเป็นเหตุให้เกิดพยาบาทได้ทั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นจากเรากำหนดอารมณ์หมดเอง คือตามปกติในช่วงที่เขาชุมนุมกันเนี่ยไม่ค่อยออกจากวัดหรอกทาไมจำเป็นอย่างยิงเมื่อวันศุกร์ที่สิบเก้าดุสิตเป็นเอกอัคราชทูตเขามาบวชที่คณะก็ก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านเพื่อจะให้คำแนะนำแกม่มารดาซึ่งกาลังปวนะ่วยหนัก เดี๋ยวก็ไปก็ไปเจอรถติดพวกกลุ่มเสื้อแดงหลายตอนเราก็มองด้วยความเห็นใจนะฮะด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรตอนกลับคิดว่าจะมาถึงเร็วปรากฏว่าโอ้ทุรักทุกเลขนาดผู้กำกับนั่งมาด้วย ตำรวจยังไม่สามารถจัดการให้รถผ่านไปได้เราก็นั่งเฉยๆคนอื่นเขาก็บนเขาก็พูดเขาก็เรียกร้องเ้าก็นั่งดูเฉยๆแต่ส่วนหนึ่งเราก็มองเขาด้วยความเห็นใจแล้วเข้าใจเ้วก็ให้อภัยบกงคนอาจจะบ่นด้วยความโกรธแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดของเขาแต่จริงเทศเป็นยังไงก็ไม่รู้พอดีก็เจอกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นผลเอกเป็นรองอธิบดีก็เขาบวชมาตั้งแต่สองสองอพอเห็นก็จำหน้าได้แต่ว่ามันนึกชื่อไม่ออกเขาก็บอกบอกเออนั่นนะสิก็หน้าตามคลับคลายครับคลยไงเจ้ า, ากุ ก็แลวก็ถามเขาว่าทำไมไม่คุยกันมนุษย์เนี่ยมันมีปากพูดนะมีสมองสมับเป็นเครื่องมือในการคิดแล้วก็มีจิตใจสมับคิดจิตอารมณ์ทั้งหลายนัดหมายพูดคุยกันระดับแกนนำทั้งสองฝ่ายอย่าไปตั้งเรื่องเคืองเรื่อนไขอะไรอะไรมันรุงรัง การต่อสู้อย่างนี้ไปมีเงื่อนไขามากไม่ได้หรอกว่าปัญหาจะยุติได้โดยวิธีใดก็ต้องพยายามโดยวิธีนั้นมันไม่พยายามไปเพิ่มเงื่อนไขคือสร้างปัญหาขึ้นมาให้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะพูดจา ก, กันมันไม่ฮั้นมันไปได้คือเราจะเห็นว่าประเทศไทยเรานี่มีเยอะที่เจ้า ในอดีตนี่มันเยอะผลสุดท้ายต้องเจ้าหรือเลิกแล้วต่อการหมดล้างมนทินหรือนิรโทษกรรมเรานึกดูถ้าเราจับพี่น้องเราจำนวนมหาศาลแ่านั้นมาใส่คุกไว้แล้วใส่ไปทำอะไรเรามันไม่เป็นอาชญา ก, กรรมแต่มันเป็นการต่อสู้กันทางกลางความคิดเห็นต้องสู้ก็ได้อุด้านอุดมการ การต่อสู้กันด้านอุดมการณ์เนี่ยเราจะเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินไม่ได้หรอกมันเป็นอุดมการณ์ของเขาเรา่าลืมมาความคิดเหล่านี้มันอย่างรากลึก อ, อยู่ภายในจิตใจยกตัวอย่างเอาศาสนากเก่าเนี่ยศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธมาคุยกันพอถึงจุดหนึ่งจะขัดแย้งกันในตัวอุดมการณ์ ที่จะไปกันได้นี่เยอะเลยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งพอถึงระดับอรุรมการณ์และขัดแย้งครัเราต้องเคารพความเชื่อว่าเรื่องนี้สลามเชื่ออย่างนี้พุทธเชื่ออย่างนี้ฮินดูเชื่ออย่างนี้คริสเชื่ออย่างนี้เราเคารพกันแล้วก็ไม่ได้ไปวินิจฉัยว่าใครผิดใครถูกมันเป็นเรื่องอรุรมการ เดียการปักใจโกรธไม่โกรธเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะเขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆฮะรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจเขาโกรธแล้วก็ลามปามธรมธรรมธร ร, รรมดาของกิเลสเขาก็ลามปามเขาอย่างนั้นเพือ่อหาวิธีสงบก็ต้องเจริญเมตตา มองกันด้วยความเป็นมิตรมองกันด้วยเมตตาปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันเราก็เกิดมาใสาโลกด้วยกันอีกไม่กี่วันเราก็ตายแล้วจะทะเลาะจะยื้อแย้งจะประทุษร้ายจะทําลายล้างกันไปทําอะไรเอาบาปติดตัวไปเปล่า คนที่ตายบาปเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าขาดทุนนะบาปลดลงบุญเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าได้กําไรผลกําไรชีวิตกระทุนชีวิตนี่ที่จริงมันไม่ใช่การมีอำนาจหรอกไม่ใช่ราบยสศสรรเสริญสุขแต่เป็นคุณภาพของจิตถ้าคุณภาพของจิตหยาบกลั้นลงหยาบกลั้นขึ้น ก็ถือว่าขาดทุนแต่คุณภาพของจิตโปร่งใสขึ้นสงบเย็นขึ้นก็ถือว่าได้กำไรจะเรามาจากมนุษย์สู่มนุษย์เนี่ยแต่พอดีในช่วงที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราทำความดีเราก็ได้กำไรตาไปก็เกิดในสุคติอายุวโนสุขังพลังสูงขึ้นนะฮะอายุก็ยืนขึ้น วันหน้าผิวพรรณก็เปล่งปลั่งสวยงามมากขึ้นกำลังกายกำลังใจก็สูงขึ้นและความสุขมันก็เป็นทุกสุขที่เป็นทิพย์มันเหนือกว่าสุขที่เป็นมนุษย์หลายเท่านี่ก็เป็นความจริงที่ชีวิตจะต้องได้รับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่ประเด็นหรอก แต่ความจริงที่เราต้องได้รับนั่นคืออย่างเนี้แล้วก็เลือกเอาเพลอแต่เราพยายามแผ่เมตตาเนี่ยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันการตนาการไม่มีเวรไม่มีภยัไภยไม่เบียดเบียนกันไม่ประฏิสลายกันบ่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่นิ่งๆเราทําได้หมดหรอกเพิ่มปริมาณคนที่เราเมตตาขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วพอถึงจุดหนึ่งกับคนนั้นแหละเราจะไม่มีความพยาบาทกับคนที่เราเมตตาเนี่ยเราจะไม่มีพยาบาทแล้วก็เพิ่มปริมาณคนที่เราไม่พยาบาทเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะคิดได้เป็นอำเภอคิดได้เป็นหลายอำเภอคิดได้เป็นจังหวัดแล้วคิดได้ไปเรื่อยๆจนเป็นสเปซสตา สัตว์ทั้งหลายต้องปวงจะได้มีเวรจะได้มีภัยจะได้เบียดเบียนกัน่าได้ประทุษร้ายกันขอให้แต่ละชีวิตนั้นอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนแต่ทำอย่างนี้มันเป็นการบันเทาความเข้มข้นรุนแรงของความพยาบาทไว้เท่านั้นไม่สามารถดับพยาบาทได้อย่างสิ้นเชิงหรอก เพียงแต่ว่าสาสตรใดที่ใจเรายังมีเมตตาอยู่นั้นพยาบาทก็จะไม่ขึ้นกลุมไม่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเท่านั้นเองแต่ว่าจริงภายในใจเราก็มีทั้งพยาบาทนะมีทั้งพยาบาทแล้วก็ทั้งเมตตาเพียงแต่ว่าปริมาณมันเข้มข้นพอๆกนันก็ชักก็เย่อกันอยู่ทำได้สมบคนบางคนกับอีกหลายคนทำไม่ได้ทำได้สมบคนบางพวกกับอีกหลายพวกทาไม่ได้เป็นต้น ก็พยายามทำใจไปบอไปถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเจริญเมตตากรรมาฐานแล้วเจริญเมตตากรรมาฐานใจมันมีพลังข่ายเมตตานี่สูงขึ้นมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตของเราเอาไว้คลกากับปริมาณน้ำที่มันมากเนี่ยใครเอาน้ำกุลเทลงไปก็เทได้แต่ว่า ประเดี๋ยวมันก็สลายหมดก็ปริมาณน้ำใสมันมากจิตใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเรามีธรรมม า, มากๆกิเลสมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแหละแต่ว่ามันจะสยบไปได้คือถูกสลายไปได้แล้วก็พยายามฝึกปลืออบรมกระทำไม่มากกระทำบ่อยๆกระทำไปต่อเนื่องถ้าก็ตั้งปัญหาให้คิดต่อไปว่า ปยาบาตที่สงบลงไปแล้วทำอย่างไรจะไม่เกิดขึ้นอีกในขั้นต่อไปก็คือได้บรรลุฌานบรรลุฌานจนบรรลุได้ปีติในฌานแต่ปีติในฌานตราบเท่าที่จิตยังมีปีติอยู่นั้นตราบนั้นความพยาบาตก็ไม่บังเกิดขึ้น ได้ก็ยังกำเริบได้นะมาความกิเลสยังกำเริบได้แต่ก็สอนให้ก้าต่อไปว่าพยาบาทนิวรที่มันเราซึ่งงบไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกนะไม่เกิดขึ้นอีกเลยโดยประการใดก็ให้ศึกษาวิธีการโดยประการนั้น ประการที่พยาบาทจะไม่เกิดเพิ่มขึ้นอีกนี่เรื่องใหญ่ล้วทีเดียวจะเรื่องใหญ่แล้ว เ, เพราะว่าการที่จะดับพยาบาทได้เนี่ยเราอย่าลืมว่ามันต้องไปเข้าสู่ขั้นของวิปัสสนาปัญญาแล้วมันาศัยความดำริชอบกับความเห็นชอบ ในความดำริชอบนั้นแหละมันมีข้อหนึ่งเรียกอัปยาปาสังกัปปะคือดำริในการไม่เบียดเบียนแต่ว่าใช้ปัญญาในการมองเข้าถึงแก่นแท้เข้าถึงความจริงของเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นก็อําเพญเพียนไปจนบรรลุพระอนาคามีหมายความว่าศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณ พลังของธรร ม, มามันเกิดท่วมท้นขึ้นมาสลายพยาบาทได้หมดสิน้นชำระล้างพยาบาทออกไปจากจิตได้หมดสิน้นก็กลายเป็นกิเลสทีละเอียดนะเพราะว่าพยาบาทเขาขึ้นไปเรื่อยล่ะเขาขึ้นไปจนถึงกิเลสทีละเอียดเขามี่งเขาเร่และได้ระดับกิเลสทีละเอียด นี่ก็เป็นนิวรณ์สองข้อซึ่งแต่ปาชนจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้ชักกระเยอะกันอยู่อย่างเงี้ยก็เรียกว่าการมชฉันกับพยาบาทนี่เกิดมากกว่าเพื่อนในแต่ละวันการมฉันมากกว่าเพื่อนพยาบาทก็รองลงมาบางวันเราไม่โกรธใครเลยนะ แต่บางวันเราก็อาจจะอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นอนก็อยากได้ไปดีเนั่นก็แสดงว่ากิเลสประเภทนิวร์เนี่ยมันไม่ในฐานะนี้ท่านเรียกว่าเป็นนิวร์แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกิ่งใหญ่ของอวิชา ก็คืออาการของโลกโกรธลงเลยมันก็อยู่เขามันเรื่อยจนคนที่จะดับเขาได้เด็ดขาดจริงๆเรียบร้อย บ, ร, ร, บ, ร, ร, บ ร, ริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆตัว ก, กิเลสนะฮะคือคนเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองคนอื่นไปลากเขาไม่ได้เราก็ไกลปืนเที่ยงไงนะท่ออกกติงพอสูงขึ้นมรรคผลสูงขึ้นเราก็ยิ่งถอยห่างเขาไป มาผลยิ่งห่างไกลจากตัวเราออกไปแต่พระหัต์ท่านก็พยายามนะพระหัท่านก็ใช้ความพยายามเราเองก็เหมือนกันก็ต้องใช้ความพยายามพยายามไปเรื่อยๆอย่างไม่มีอะไรเนี่ยอยู่ในสังคมให้มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันปรานนา การอยู่ร่รวมกันโดยการไม่เป็นเวรเป็นภัยเป็นอันตรายต่อกันเพราะหลักการใหญ่เนี่ยอย่างสังคมไทยเราถ้ามีพรหมวิหารเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจได้แล้วก็งดเวรอากาติทั้งสี่ได้บ้านเมืองจะน่าอยู่ขึ้นเยอะนะฮะบ้านเมืองจะน่าอยู่ขึ้นเยอะ แต่ว่ามันก็มีปัญหาหมดทั้งทั้งสองข้อนั่นแหละคือเมตตาก็แผ่ไม่กระจายเกิดขึ้นไม่กระจายบางครั้งบางคราวสุนัขเขายัางโกรธสุนัขเมีเสียงดังก็โกรธเสียงนั้นสี่งนี้นสิยงโน้ น, นรือถ้าขี้โกรธจางนั้นอยู่ที่ไหนมันก็ขี้โกรธอย่างนั้น ไปอยู่ในป่าก็ไปรำคาญกับเสียงจกจกจันเรไรสําคัญกับเสียงนกเสียงสยัตว์เสียงกระรอกเสียงกระแตเสียงอะไรต่างๆถึง อ, อา่างคางคกอะไรต่อไปก็หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนไปเรื่อยๆการอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาระดับสามัญชนระดับศีลธรรมจัรญาเนี่ยมันก็ดียิ่งแล้ว แต่ทาได้ขึ้นไปกว่านั้นตามโครงสร้างของการละนิบอลจริงๆก็ก็เป็นบุญเป็นกุศลพิเศษของท่านล่อนต้องฟังทางหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี